พระธรรมเทศนาแผ่นที่114ลำดับที่16โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวั ด, ดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่18กรกฎาคม2560มีชื่อเรื่องว่าเตือนกันก่อนตายวันนี้เป็นวันอังคารที่18 กรกฎาคมพุทธศักราช 2,560 ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลเป็นช่วงเข้าพรรษาการทำความภาคเพียรของพระก็ควรจะใส่ใจเพราะว่านอกพรรษาเราก็ปล่อยปะมาพอสมควรแต่บางท่านบางคนก็ ก็ทำมาโดยสม่ำเสมอถ้าหากว่าผู้อย่างนั้นแปลว่าผู้ไม่ประมาทระลึกถึงความตายขอ ง, ของตนเองเหมือนกับหมาไล่เนื้อมันไล่ทันเมื่อไรมันก็กัดเนื้ อ, เ, อเก่งเนื้อกวางหมูป่าหมาป่ามันไล่ทันนี่ก็เหมือนกันพยาัตจุราช ไร่ตามเรามาตลอดแต่เราจะไปชะน่าใจอย่าไปนอนใจก็ไม่น่าจะถูกถ้าว่าผู้ไม่นอนใจแปลว่าตั้งผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเตรียมพร้อมในการประกอบอสัมมาชีพหรือว่าสัมมาทิฏฐิตั้งความเห็นให้ถูกต้องสิ่งที่เป็นบาปอคุศลสิ่งที่มันจะเนิ่นช้า เราจะไม่ทำแต่ด้ดยมากพวกเราบางครั้งบางคราว อ, อยู่ดีมีสุขสนุกสนานก็เลิมลืมลืมว่าพยามัจจุราชมันไล่ตามมาอยู่มันไม่ไม่ได้ลดละเราก็ชะล่าใจไปสนุกสนานไปเพิดเพลินไปลุ่มหลงไป พอระลึกได้ขึ้นมาโอ้ใช่พยามัจจุราชตามเรามาอยู่ก็ระลึกได้แต่ถึงยังไงอยากจะให้พวกเราระลึกไว้อยู่เสมอว่าพยามัจจุราชความตายหรือว่าชีวิตของเราสั้นสั้นเข้ามาเรื่อยเืยตั้งแต่เราเกิดมายมทมูตเขาให้เท่าไหร่เราไม่รู้ มันเป็นความลับเป็นความลับของหยมมาธุ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเมื่อเราไม่รู้เนี่ยเราจะไปนอนใจไม่ได้โยมมาธุ์เขาให้มาแปดสิบห้าปีนะหรือว่าแปดสิบปีนะอะไรเราไม่รู้ ชีวิตของเราเดียวนี้เท่าไหร่บางทีอาจจะเจ็ดสิบปีนะเดี๋ยวนี้ของเราเท่าไหร่มันหมดไปเท่าไหร่นี่แหละสิ่งเหล่านี้มันเป็นของใครของเราในเมื่อจุดนั้นมาถึงแล้วเราอุ่นใจหรื อ, อยังไม่ใช่ว่าพอจุดนั้นมาถึงแล้วก็ ประเตอประตาวา่าคาไม่ได้ทาความคุณงามความดีเป็นที่อุ่นใจซะเลยมีแต่มัวเมาสแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีพอยู่ตลอดไม่ได้คิดหาผนทางต่อไปภายภาคหน้าอันนี้ไม่น่าจะถูกนะแต่ทั้งยังไงเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะมุ่งมั่นมุ่งหวังตั้งแต่ประกอบคุณงามความดีสรุปแล้วก็คือให้ไปทั้งสองทาง การสะสะแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีพเราก็ทําแล้วก็แวก ส, ะสะแวงหาทางด้านจิตใจเราก็ทําใน24ชั่วโมงน่ะชั่วโมงหนึ่งเราประกอบคุณงามความดีเอาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจได้ไหมหนึ่งชั่วโมงต่อ24ชั่วโมงถ้าว่าเราใส่ใจได้หนึ่งชั่วโมงก็นับว่าดีอยู่นะจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาท แต่ถ้าว่าวันทั้งวันอาทิตย์ทั้งอาทิตย์เดือนทั้งเดือนปีทั้งปีไม่ได้คิดประกอบคุณงามความดีมีแต่คิดสแสวงหาแต่ปัจจัยสี่เลี้ยงชีพหาเงินหาทองหาความมั่งมีหาความร่ำรวยมาสู่ตนเท่านั้นอันนั้นแปลว่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปไม่ได้แ ส, สวงหาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจ ไม่น่าจะถูกทั้งชีวิตชีวิตทั้งชีวิตปีทั้งปีเดือนทั้งเดือนวันทั้งวันไม่ได้คิดประกอบคุณงามความดีใชเลยอันนี้ไม่น่าจะถูกนะตามหลักธรรมคำสอนของพุทธตามคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระนั่ให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านให้มองตนเองว่าวันหนึ่ง เ, เรา ได้ประกอบคุณงามความดีกี่นาทีในไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นั่งภาวนาแะ้ววันนี้ได้ประกอบคุณงามความดีดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือว่าทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองอย่างไรทำกุอูปการให้กับคนอื่นอย่างไรในวันนี้สิ่งเหล่านี้ก็ให้พวกเราคิดเหมือนกัน แต่ทิ้งยังไงก็ตามนะการที่จะทำคุณูปการให้คนอื่นก็จริงอยู่แต่บางทีเราทำเพื่อหวังเงินหวังทุนหวังเงินนะาการสิ่งที่ตอบแทนอันนั้นก็แปลว่าเราหวังตอบแทนมันก็เหมาะสมกันกับการเงินที่เราทำงานแต่สิ่งที่เราทำไปแล้วนะเราไม่ได้หวังเงินเราหวังบุญกุศลหวังเพื่อ คุณคุณคูณปการทำสนับสนุนเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อพระคุณของููมีอุปกระคุณสำหรับเราอันนั้นที่จะเป็นบุญเป็นกุศลถ้าว่าพวกเราการทำงานของเรานี่กเราก็ทำเพื่อประเทศชาติแต่ตามไม่จริงถ้าเพื่อประเทศชาติเราก็ได้เงินอันนี้เป็นการตอบแทนแต่ทังยังไงในการทางานเราจะต้องทาให้ดีที่สุด อีกต่างหากจุดนั้นก็คือเป็นคุณงามความดีของเราอีกเหมือนกันเป็นคุณธรรมในจิตใจของพวกเราเอกอซ้อนกันกับทนซ้อนกันกับเงินถึงจะรับเงินก็จริงอยู่แต่ข้าพาเจ้าไม่ได้ทาสิ่งไหนที่ให้เสียหายต่อประเทศชาติต่อบ้านเมืองต่อชุมชนข้าพาเจ้าซื่อสัตย์สุจริตในการทำการทำงาน อันนี้มันก็เป็นบุญเป็นกุศลเข้าสู่จิตใจในส่วนหนึ่งเราเระลึกขึ้นมาเมื่ อ, อไร่ใจของเราก็สบายมีความสุขใจเล็กๆแต่ถ้าว่าจิตใจของเราไม่ซื่อตรงไม่ซื่อสัตว์แล้วก็ทํางานไปด้วยอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะทำให้จิตให้ทําให้จิตใจของเราไม่โปร่งใสไม่ใสสะอาดจิตใจของเรามืดมัวในจิตใจเล็กๆ นัล้ลึกขึ้นมาเมื่อไรเออเราเอารัฐเอาเปรียบชุมชนสังคมเอารัฐเอาเปรียบพระชการเอารัฐเอาเปรียบออที่เราหน้าที่การงานของเราเรานัล้ลึกขึ้นมาเมื่อไหรเราก็ไม่สบายใจนั่นแหละจุดนั้นแหล ะ, ละความว่าไม่สบายใจจุดนั้นแหละต่ว่าอาบาบอากุศลแห่ในจิตใจของเราเพราะนางขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะสรุปแล้วก็คือให้เป็นคนดี ชื่อสัตว์ชื่อตรงต่อหน้าที่การงานอันนั้นก็คือการแ ส, สวงหาทรัพย์แต่ทางด้านจิตใจก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าววันหยุดราชการวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระพวกเราจะประกอบคุณงามความดีได้ไหมเจดวันครั้งหนึ่งแล้วก็ไหว้พระแล้วก็นั่งภาวนาจยจะให้เน้นเรื่องภาวนาเนี่ยนะหลวงตามหาบัวธนวน วันละสิบนาทีได้ไหมในยี่สิบสี่ชั่วโมงนั่นน่ะถ้าหาว่าสิบนาทีก็ยังไม่ได้การแสดงว่ากิเลสโลภโกรธหลงราคะโทสะโมหะเอาคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีของเราเอาไปกินหมดกิเลสเอาไปกินหมดถ้าว่าเรายังแย่งชิงมาได้เอาเถอะข้าพาเจ้าจะเป็นเอกเทศจะไม่ให้จิตใจปุงฟุ้งไปทางอื่น จะกำหนดพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธอยู่กับพุโทโธนะสัก10นาทีอย่างนี้มันก็ยังเป็นเป็นบุญเป็นกุศลเข้าสู่จิตใจพอต่อไปเรารู้คุณค่าเห็นคุณค่ามันก็ขยายขึ้นไป20นาทีมากขึ้นไปก็น่ากับสานาทีวันละหนึ่งชั่วโมงพอเรามีอายุขึ้นมาเราก็ต่อสืบเนื่องไปวันหนึ่งหลายครั้ง นั่งละครั้งละสามสินาทีครั้งละหนึ่งชั่วโมงวันหนึ่งก็ย4สี่ชั่วโมงก็ได้สัก4ีชั่วโมงก็ยังดีนะสิ่งเหล่านี้แหละอันนั้นก็คือการป ร, ประกอบคุณงามความดีตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะว่าชีวิตของเราเหมือนหมาไล่เนื้ออย่างที่ว่านะพญามัตจุราชไล่ติดตามมันอยู่ตลอดเวลาในเมื่อ ถึงคราวมาแล้วนะทุกคนก็ถึงจุดจบไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้แต่ผูดทางนี้ทางนั้นเรามาหาพระเหมือนกับพระเอาความตายมาขู่กันเพื่อจะต้องการให้ศรัทธาญาติโยมทาบุญทำทานกับวัดวาศาสนากับครูบาอาจารย์ไม่ใช่หลวงพ่อเองก็เตือนหลวงพ่อเหมือนกันอย่าตั้งอยู่ในความประมาทหนะ้าหลวงพ่ออินเน เตือนกันทุกคนเพราะเราเป็นพุทธบริษัทสี่เป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าต้องกล่าวเตือนกันเ อ, อเหมือนกับเราอยู่เป็นฝูงเป็นหมู่เป็นคณะมีอะไรอันตรายเข้ามาในกลุ่มในหมู่ในคณะเราก็ต้องเตือนกันเอ้ย อ, อันตรายนะ อ, อถ้าเป็นน ก, กเหี่ยวมานะ อ, อหรือว่าโจลผู้ร้ายเข้าบ้านนะ เรื่อนี้เป็นต้นะเพราะเราอยู่ด้วยกันนี้ก็เหมือนกันเราก็ต้องเตือนกันว่านี่นะพญามัรจุราชจะเข้ามานะพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะให้เตรียมพร้อมไว้นะประกอบคุณงามความดีนะในเมื่อถึงคราวแล้วพวกเราจะไม่เสียใจเมื่อภายหลังเราเกิดมาทั้งทีจีพุทธวิตรในพระปกติศาสนาในพบพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ศึกษาธรรมะ ทำคําสอนของพุทธชาตินี้เป็นชาติที่ไม่เปล่าประโยชน์เป็นชาติที่เราได้ศึกษาธรรมะที่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญนะให้ศึกษาจุดนี้นะติดตามนะตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะสิ่งที่สูญคืออะไรคือร่างกายธาตุสีดินน้ํามลมไฟนี่สูญแนะ่ตายแนะ่เผาไฟทิ้งแนะ่แต่ตัวนมามธรรมคือจิตใจในจุดนั้นนะพวกเราต้องศึกษา จริงไหมในขณะที่เรานอนเราหลับเราฝันหรือว่านั่งสมาธิเนี่ยถึงจะเราฝันก็เถอะมันยังเบอเบอร์อยังเลือนลางแต่เมื่อเราจิตใจของเราเป็นสมาธิจิตใจเน่งพอกําหนดลมหายใจเข้าจิตใจสงบพอจิตใจสงบเน่งจิตใจใจที่เป็นอัปปนาสมาธิจิตใจที่สงบอย่างแนบเน่ง เราจะรู้ได้ด้วยตนเองกายกับใจใจกับกายเนี่ยมันคนละอันกันคนละส่วนกันเป็นคนละเรื่องกันมันแยกกันเหมือนน้ากับน้ํามันลักษณะอย่างนั้นแหละชัดเจนเหลวงพ่อก็เลยเปรียบเทียบว่าโซเฟอร์กับรถอย่างงั้นอะโซเฟอร์กับรถรถกับโซฟอร์ลักษณะอย่างนั้นแหละถ้าว่าจิตใจสงบนะแต่จิตใจยังไม่สงบมันจะแยกไม่ออกนะพวกเรามันจะเบอร์เบอร์มันไม่รู้ว่าจิตใจของเรามย่อยู่ที่ไหน อยู่ที่สมองหรืออยู่ที่หัวใจหรืออยู่ที่ไหนมันแยกไม่ออกทั้งหมดแต่พอจิตใจรวมสงบลงไปแล้วมันจะแยกออกอยู่ที่หัวใจเลยอยู่ที่ใจอยู่ในท่ามกลางอกเราเลยเห็นได้ชัดเลยกายกับใจใจกับกายนี่แหละตัวนี่แหละตัวใจนี่แหละจะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่เป็นไปได้ทั้งหมดตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าใครทำกรรมอันไหนไว้ทำกรรมที่ไม่ดีเอาไว้กรรมไม่ดีจะเข้าตามสนองจะเป็นผู้พานำเป็นพาหณนะเป็นผู้พานำไปเสวยความทุกข์ในภพภูมิต่อไปในเมื่อเราทำความดีประกอบคุณงามความดีบุญกุศลจะเป็นผู้พานำเราไปสู่สุขติไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาอินพรหม ถ้าเราชำระใจได้แล้วเราก็เข้าสู่นิพพานจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกนี่แหละอันนี้คือแนวแถวของพุทธะที่ท่านได้ไปค้นคว้าศึกษาจากนั้นก็ได้ตราเป็นพระธรรมคําสอนออกมาเรียกว่าพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายก็ได้นำธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าออกมานำมาปฏิบัติในเมื่อปฏิบัติแล้วเห็นจริงด้วยใช่ จริงแน่นอนที่เราปฏิบัติแล้วถ้าจิตใจรวบเป็นสมาธิแล้ว้เป็นอย่างดังที่พระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสที่ท่านดสอนที่ท่านได้บอกได้กล่าวในตําราจริงท่านเชื่อมั่ น, นจากนั้นท่านก็ได้นำํำทำคําสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศออกมาบอกกล่าวต่อๆกันมาแับพื่เมื่อพวกเราได้ยินแล้วเนี่ยเราจะไปเชื่อทีเดียวคงไม่ได้ถ้าเชื่อไว้ดีกว่านะ เพราะเรายังทำไม่ถึงแต่ที่ยังไงก็ตามพยายามทำเมื่อเมื่อทำแล้วนะมันจะบ่บงบอกในเมื่อเราทำได้แล้วถูกต้องแล้วสำเร็จเห็นมรรคเห็นผลในจุดนั้นแล้วจิตใจของเราเขาสู่ความสงบแล้วจริงที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวจริงยอมรับด้วยใจของพวกเรา ด้วยการประพฤติปฏิบัติของพวกเรานี่แหละการยอมรับพระธรรมคําสอนหรือยอมรับในภาคภาวนาภาคปฏิบัติมันยอมรับทางจูงในจิตใจนะคณะทาญาทโยมพระเนนลูกหลานนะจิตใจขอ ง, ของเราในะยอมรับนะไม่ใช่ยอมรับปิดเชื่อแบบสมองเฉยเฉยถ้าเชื่อแบบสมองเฉยเฉเนี่ยเขาจูงไปทางไหนก็จูงไปบางที มีคนมีวาทะที่เหนือกว่ามาเปลี่ยนสมองเราแล้วก็เป๋ไปตามที่เขาแนะนําบอกกล่าวเพราะมันไม่ลึกถึงด้านจิตใจถ้าว่าพวกเราดึกลึกถึงด้านจิตใจจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบจิตใจเนิง่งเป็นอัปปนาสมาธิแล้วแปลว่าถอนไม่ขึ้นถึงจะพูดยังไงไม่ใช่แหละเ อ, อเมื่อเราภาวนาไปแล้วเราเห็นได้ชัดในความรู้สึกของเรานะ กายกับใจกใจกับกายตัวนี้แหละตัวจะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆอย่างที่ประทมคำสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนจริงนี่แหละมันถอนไม่ขึ้นนะในภาคปฏิบัติเพราะนั่นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านให้ศึกษาในจุดนี้นะไม่ใช่บอกความเชื่อเฉยๆนะความเชื่อเฉยๆเนี่ยทำให้เลือนลางได้นะถ้าว่าปฏิบัติเห็นจริงจังแล้วนะพูดยังไงก็ มันไม่ไม่ไปเอออย่างเขาบอกว่าจับไฟนะ่ะมันไม่ร้อนหรอกไฟแดงๆเลฮะพูดยังไงเราก็ไม่เชื่อถ้าเป็นไฟจริงนะเออมันไฟมันต้องร้อนแน่ๆพอจับเข้าไปมันก็ร้อนไม่หมือนแน่ๆเลนี่แต่คนอื่นก็บอกว่ า, วาไม่ไม่ร้อนหรอกอต้องมีกรรมวิธีเอ่อเว้นเสียจะมีเป็นอภินิหารจริงๆ เป็นผู้มีอิทธิฤทธิจิตจริงๆและอันนั้นก็มันต้องเชื่อทั้งด้านจิตใจอีกเหมือนกันที่ว่าพระพุทธเจ้าพระหรตัตถสาวกอท่านมีญาณรัตนะท่านมีอิทธิฤทธิจับไฟจับอะไหนได้หมดด้วยอิทธิฤทธิของท่านถ้าเป็นพุทุชนคนธรรมดาแล้ว่ะฮมันต้องแน่นอนจับไฟมาต้องร้อนนี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละขอให้พวกเราทุกถูกท่านนะอ การประพุทธปฏิบัตมิมันเชื่อในตนเอง เ, ออเมื่อทําดีแล้วจะชั่วได้ยังไงเมื่อทําชั่วแล้วจะดีได้อย่างไรมันอยู่ในจิตใจของพวกเราทุกทุกท่านนะถ้าว่าพวกเราประพุติปฏิบัติแล้วนะมันจะเชื่อมั่นในตนเองนะเป็นอันดับแรกนะแต่ความที่จะเชื่อมั่นได้ก็จะนำธรรมคําสอนของพระพุทธนะเจ้านั่นน่ะนำมาเป็นตัวอย่างนํามาเป็นแบบฉบับ แล้วนำมาประพฤติปฏิบัตนะิมาจากนั้นก็เป็นสมบัติของตนเองเหมือนกับเขาครูสอนในโรงเรียนนะ่ะวิชาทําไฟฟ้าวิชาต่างๆนะแล้วก็เรียนในตํำรับตําราแต่พอเรียนจบแล้วนะพอเรียนเสร็จแล้วเราก็นํามาปฏิบัติพอนํามาปฏิบัติแล้วนะมันเป็นสมบัติของตนเองนะท่นี่ ไม่ไม่ใช่สมบัติของครูนะครูมีแต่แนะนำสั่งสอนตนเองเมื่อนำมาปฏิบัติแล้วนะเราทำได้แล้วก็เป็นวิชาอาชีพของตนเองนี่แหละรู้ได้โดยตนเองเพื่อเผยยังเออรู้ยิ่งไปกว่าที่เราเรียนมาอีกต่างหากเพราะเรามีประสบปปการณ์ที่ดีนะเพราะฉะนั้นสี่งเหล่านีนะ้ให้พวกเราทุกทกท่านนะที่หลักธรรมคำสอนของพุทธนะเนี่ยให้ทำจิตใจให้สงบ จะทำยังไงจิตใจจริงสงบ่ะก็ได้เรียนได้สอนได้บอกได้กล่าวกันั่งสมาธิขาขวาทาับขาซ้ายไม่มีทางอื่นนะอแล้วให้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตนเองกําหนดลมหายใจเข้าหายี่ออกเอาให้จริงจังและจริงใจบังคับให้อยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงทดลองดยสิเราทํางานอย่างอื่นเราจังทำมาพอแรงแล้วอันนี้เราภาวนาอย่างเนี้เออเอาจริงจัง จากนั้นใจของเราก็สู่ความสงบเมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้วนนั้นนะเราจะรู้ได้อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะคณะสัตถถายจจาธิยศโยมพระเนนลูกหลานนะต่อเ น, นี้ไปพระสงฆ์เจ้าหนมโมนาให้พรละพร อ, พอัจฉริยนะ